จบที่294ก็เริ่ม295ปฏิจจสมุปบาทก็คือหน้า295เนี่ยจะเป็นการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราแสดงธรรมสั้นๆเอาไว้แล้วก็ลุกจากอาสนะหลีกไปพระก็ไม่ค่อยเข้าใจกันพระมหากัจานะซึ่งเป็นเลิดด้านการอาธิบายขยายความของผู้เจ้า ก็ขยายความเพิ่มภายใต้การขยายความเพิ่มอย่าลืมว่าเริ่มเป็นคําสาวกขึ้นมาทันทีนตัวท่านเป็นพระอาหารหันต์ท่านก็รู้ตัวอยู่ว่าท่านเนี่ยอถาธิบายเพิ่มเนี่ยจะไม่มีใครฟังหรอกแต่ท่านเข้าใจอย่างนี้ท่านอธิบายเพิ่มแล้วท่านก็บอกว่าถ้าพวกภิกษุทั้งหลายหวังความถูกต้องเนี่ยให้ไปถามพระพุทธเจ้านะถ้าพุทธเจ้าตอบอย่างไรให้ทรงจําอย่างนั้นนะ แต่ตัวตัวท่านเองเนี่ยท่านคิดว่ามันเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นพิสูจน์ทั้งหลายก็เอาความนี้ไปถามผู้เจ้าอีกทีว่าพระมหากาจณ์นะเนี่ยอธิบายอย่างนี้มาเนี่ยรับฟังได้ไหมถูกต้องไหมผู้เจ้าก็รับรองบอกว่าเออใช่ได้าการณ์กาจณ์ยนะมีปัญญามากถ้าเราอาธิบายจะอธิบายอย่างนี้เหมือนกันถ้าผู้เจ้ารับรองแล้วทุกคนก็จะทรงจําเสมือนหนึ่งคำของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่คือลักษณะการรับรองธรรมะที่ พวกสาวกพูดขึ้นมาเพราะฉะนั้นในครัำพูดการเนี่ยใครพูดอะไรขึ้นมาก็ตามจะต้องมีผู้เจ้ารับรองก่อนแล้วถ้าผู้เจ้ารับรองแล้วคํานั้นก็จะเสมือนหนึ่งคําพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกั น, นผู้เจ้าจัดอย่างไรอันนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงพิจารณาใครครวณโดยประการที่เมื่อพิจารณาใครควณอยู่แล้ววิญญาณของเธอนั้นอันไม่ฟุ้งไปไม่สซ่านไปในภายนอกด้วย อันไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในด้วยก็จะไม่พึงสะดุง้งเพราะเหตุไม่มีความยึดมั่นถือมัน่นดูก่อนพิสุทั้งหลายเมื่อวิญญาณไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในอยู่เป็นจิตไม่สะดุง้งเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นดังนี้แล้วการก่อตั้งขึ้นแห่งกองทุกกล่าวคือชาติชรามรณะย่อมไม่มีอีกต่อไปพุทธเจ้าพูดแค่นี้จบแล้วนะลูกจากที่ประทับหลีกไปนไะ ไม่ให้วิญญาณเนี่ยฟุ้งไปในภายนอกแล้วอย่าตั้งสยบอยู่ในภายในจะเป็นจิตที่ไม่สะดุง้งเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นชาติชราโมนะจะไม่มีพิกษุทั้งหลายก็งงว่าไม่ฟุ้งในภายนอกคืออะไรไม่สยบในภายในคืออะไรนะผู้เจ้าก็เตือนทั้งสองอย่างอย่าส่งจิตออกนอกคืออย่าฟุ้งไปในภายนอกและอย่าตั้งสยบในภายในนะนะ่ ไปดูพระมหาการณ์นาทิบายพระมหาการณ์นาทิบายก็เป็นอย่างไรก็บอกว่าที่ผู้เจ้าตรัสอย่างนี้นะท่านเข้าใจอย่างนี้การที่ฟุ้งไปในภายนอกก็คือดูก่อนท่านผู้มีอยุทั้งหลายในกรณีที่กล่าวนี้วิญญาณของพิกสูผู้เห็นรูปด้วยตาแล้วเป็นวิญญาณที่เล่นไปตามนิมิตแห่งรูปเวลาเราเห็นรูปล้เช่น เราเห็นคนสวยๆคนหนึ่งเราก็แล่นไปตามนิมิตแห่งรูปมองตามไปเห็นรถสวยๆคันหนึ่งล้วก็มองตามไปเป็นวิญญาณที่อย่างลงในอัสาทะแปลว่ารสอร่อยของนิมิตแห่งรูปวิญญาณนั้นอย่างลงในรสอร่อยของรูปนั้นแล้วแล้วก็มีการติดตามหรือพระเจ้าจะพูดอีกคําว่าภิกษุนั้นเนี่ยจ้องมองต่ออัสาทะของรูปจ้องมองต่อรสอร่อยของรูป หรือมีการผูกติดมีสัญโยคะผูกกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินอย่างนี้เป็นวิญญาณที่ยังลงในอัตสาธะของนิมิตแห่งรูปผูกพันอยู่ในอัตสาธะของนิมิตแห่งรูปเห็นหการยังลงก็คือการเข้าไปตั้งอาศยัยการเข้าไปเกาะเกี่ยวการเข้าไปผูกพันหรืออีกคำหนึ่งผูกพันอยู่ในอัสาหะของนิมิตแห่งรูปผูกพันคืออะไรสัญโยคะผูกติดกับอารมณ์นั้น ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนะประกอบพร้อมแล้วด้วยความผูกพันในอสสาธะของมิมิตแห่งรูปนี้แหละคือข้อความที่กล่าวโดยย่อว่าวิญญาณอันฟุ้งไปสร้างไปในภายนอกและท่านก็อธิบายจิตตั้งสยบอยู่ในภายในเป็นอย่างนี้จิตไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในเป็นอย่างนี้ไม่เพิดเพลินต่ออสสาธะ ไม่ผูกพันต่ออัตาทัของมันของอทุกขมสุขเรียกว่าจิตอันไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในนั้นนี่ท่านก็อธิบายไปส่วนความสะดุง้งมีเพราะอะไรมีเพราะความยึดมั่นในกันท่าความไม่สะดุ้งมีเพราะอะไรความไม่ยึดมั่นในกันทั้งท่าไม่เห็นรูปโดยความเป็นตนไม่เห็นตนเป็นรูป ไม่เห็นรูปว่ามีในตนไม่เห็นตนมีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณลักษณะเดียวกันตัวนิยก่กตัวนี้ต้องเอาไปไข่ควรเดินชมพมนั่งสมาธิไข้ควรไข้ควรหลายตลบเลยไข้ควรแล้วก็ยังคิดไม่ค่อยออกอยู่พอสมควรจะคิดออกในบางมุมบางกรณีเพราะฉะนั้นลองคิดเรื่องรูปไม่ออกหยิบไปดูสัญญาไปหยิบสังขารไปหยิบวิญญาไปหยิบเวทนามานะบางทีเราคิดว่าความจํามีในเราเรามีความจํา นะหรือว่าความจำเป็นเราเราเป็นความจำหรือว่าสุขเป็นเราเราเป็นตัวสุขอย่างนี้เวลาเรามีความสุขขึ้นมาเราเราก็บอกโอ้ชั้นสุขมีสุขเป็นตัวฉันเห็นหหรือว่าเราเนี่ยมีความสุขจังเลยสุขมีในเรานะหรือคิดว่าความสุขเป็นเราอย่างนี้แง่มุมของการยึดมั่นถือมั่นนะมีหลายแง่มุมมากลักษณะการอธิบายของสาวกที่มีการรับรองโดยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะถูกใส่เข้ามาด้วย หรือของภาษาริบุตรก็จะมีอยู่เรื่องหนึ่งมีหลายเรื่องเรื่องหนึ่งในหลายๆเรื่องก็คือว่าที่พระเจ้าถามว่าสารลบุตรโสดาบันดูอย่างไรถนะามหลายครั้งหนึ่งในหลายๆครั้งก็คือครั้งนี้ภาษาลิบุตรก็บอกว่าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอรอยิยมรรคในองค์แปมีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นชื่อว่าพระโสดาบันพระเจ้าก็รับรองคําพูดของภาษาริบุตรด้วยการทวนคําพูดอีกที อาสารีบุตรเราก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันว่าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอะไรมากมีลวงแฝดมีชื่ออย่างนั้นมีโทษอย่างนั้นที่ว่าโสตบัญนะนะอันนี้รู้สึกว่าจะเคยอธิบายไปแล้วในหน้านี้ต่อๆมาก็ผ่านไปเลยผ่านไปเลยอันนี้ก็ผ่านไปผ่านไปมาถึงอาหารสี่อาหารสี่ก็เหมือนจะอธิบายไปแล้วเนาะอาหารสี่ อธิบายไแล้วไม่มีโสกไม่มีทุรีไม่มีความครับแทนรู้ธรรมเวทนาก็รู้สึกว่าจะบอกไปแล้วเตอนนั้นกระโดดมาตรงนี้มักมีองแปดกําลังอธิบายมักมีองแปดว่าขณะมักแ8ดเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยนะขณะที่เราเห็นจกักรสุตามเป็นจริงเห็นจกักขู่วิญญาณจักรขู่สัมผัสรูปทั้งหลายตามเป็นจริงเวทนาอันเกิดจากภาษาเป็นปัจจัยสุขทุกขเบขาเนี่ยเราทํา จเจริญมรรคอย่างนี้มรรคเป็นองคดครบมรรคเป็นอง8ดครบไม่พอโพธิปักฉิยธรรมสามสิก็ครบด้วยนะโพธิปัจฉิยธรรมสามเจ็ดครบไม่พ อ, ม 37, มพอสมถะและวิปัสสนาก็ครบด้วยนะครูเจ้าตัดว่าธรรมทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนาของเขานั้นย่อมเป็นธรรมเคียงคู่กันไปบางสำนวนใช้ว่าเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟ้นก็คือ ภูตมนณะเดียวกันบาลีเดียวกันสติประฐาน4สามารถประธาน4อิอธิบาท4อินทรีย์5้พลังหพ่อชงเจ็นี่คือตัวนะอธิมัคในองแปดนี่คือตัวโพธิปักฉิยธรรม37มสิบเจพรเจ้าบอกข้อถูกขึ้นมาทำขึ้นมาพร้อมๆกันถึงความเต็มรอบแห่งความเจริญถึงความเต็มรอบแห่งความบริบูรณ์เพราะฉะนั้นมัคแปดหรือมัควิธีของพระเจ้าเนี่ย ในมรรควิธีสั้นๆหลายๆมรรควิธีที่พระองค์ได้ตัดเอาไว้ทําเพียงแค่นั้นก็พอแล้วมรรคองค์ประกอบอื่นๆของมรรคอื่นๆจะถูกทําขึ้นมาพร้อมๆกันเลยเพราะฉะนั้นแค่เรารู้ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวเนี่ยอย่างที่สอนนักศึกษาไปเมื่อกลางวันบอกว่าละความเพลินละนันทิสแล้วรู้ลมหายใจเข้าไว้ครบแล้วพอแล้วแค่นี้ มักกลจะถูกทำขึ้นมาพร้อมๆกันสมถาวิปัสนาที่ว่าเดินเทียงคู่กันไปตลอดเวลาอาจมาถึงบอกขณะ ท, ที่ผู้รู้เนี่ยรู้อยู่กับลมหายใจนี่คือสมถะขณะ ท, ที่ผู้รู้เคลื่อนปั๊บเนี่ยมันจะมีการเกิดดับเป็นวิปัสนาแค่นี้เองสมถาวิปัสนาสมถาวิปัสน า, ามันจะเกิดตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราเห็นไหมนะดะนั้นถ้าเราเข้าใจแง่มุมนี้นะสมถาวิปัสนาถ้ากับเดินเทียงคู่กันไปตลอดอย่างที่พระเจ้าท่านจรัสเอาไว้ ท่นนี้คนไม่มาศึกษาพุทธพจนะก็จะมองแง่มุมนี้ไม่ออกนะี่มุมมองก็จะแคบก็เลยบางทีมองว่าการรู้ลมหายใจเขาออกเป็นเพียงสมถะอย่างเดียวอันนี้เป็นมุมมองที่แคบเพราะฉะนั้นการรู้ลมหายใจเขาออกพผู้เจ้าเนี่ยอธิบายไปจนถึงวิมุตมันถึงวิมุติแล้วเนี่ยมันจะเป็นสมถะอย่างเดียวได้ยังไงมันต้องเป็นสมถะพุทัศ ส, สนาเพิ่มไปนี mm hmm. ่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้เน mm ี hmm. ่ย ปิดท้ายเนี่ยผู้เจ้าจะบอกว่าทำเหล่านายัยอันบุคคลพึงละด้วยปัญญานะก็คืออวิชชาและก็ภาวะตัณหาภาวะตัณหาคือจิตที่กําลังอยากจะไปสร้างภพภาวะคือพบตัณหาคือความอยากของจิตที่จะเข้าไปหาอารมณ์อารมณ์คือตัวภพนี่นเองหรือตัวพบก็คือตัวรูปนามหรือรูปนามก็คือกรรมนี่เชื่อมแต่ละพระสูตรพระสูตรอีกก็สูตรหนึ่งผู้เจ้าบอกพบก็คือกรรม พระสูตรอีกพรสูรหนึ่งก็บอกว่าตัวพบก็คือตัวรูปนามจับมาเชื่อมกันทั้งหมดเราจะเข้าใจเห็นภาพทั้งหมดรู้จักการใช้คําของพระเจ้าโยงไปหลายๆหลายๆคําพูดหลายๆบทพัญชนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกันของอินทรีย์ภาวนาอินทรีย์บารมีของแต่ละคนบางคนเข้าใจด้วยคําว่ากรรมบางคนเข้าใจด้วยคําว่าพบบางคนเข้าใจด้วยคําว่าอารมณ์ของจิต การเกาะเกี่ยวกันเข้าไปตั้งอาศัยอย่างนี้ดันั้นผู้เจ้าก็จะมีวิธีอธิบายหลายๆแบบทำเหล่าใดที่ควรละด้วยปัญญาคือเพราะวะตัณหาจิตกำลังจะอยากไปสร้างภพให้ละละด้วยปัญญาของเธอละนันทีซะละความเติอนซะขณะที่ทำความเพียรตรงนี้ื่อว่าเพียรถูกแล้วไม่ใช่เพียรไม่ถูก ถ้าบอกว่าอย่าไปทําความเพียรอย่างนี้ต้องถามว่าแล้วจะไปทําความเพียรอย่างไหนเพราะฉะนั้นการปราลบความเพียรต้องดูว่าผู้เจ้าใหทาา้ทําความเพียรอย่างไหนทําความเพียรเพื่อจะละการเข้าไปเกาะเกี่ยวซึ่งอารมณ์สร้างภพนั่นคือเราทําความเพียรถูกต้องแล้วเมื่อทําความเพียรถูกนะผู้เจ้าบอกสมถวิปัสสนาก็จะเจริญครบพ้วนี้ และสิ่งที่ได้มาที่จะทำให้แจ้งด้วยปัญญาชีวิชาวิมุติก็จะทำให้แจ้งด้วยอันนี้ก็สุนี้เคยอธิบายน่าจะอธิบายตาละเอียดแล้วในเสาก่อนๆ อ, อันนี้ก็ผ่านไปเลย